พุทธะรหตโสสัมมาสัมพุทธัสสะ เราปักกันที่ใจนั่งอืมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำ อ่าลาภเลื่อนไปได้ด้วยดีเอ่อได้ทรัพย์สินเงินทองอืมได้ อืมที่ที่ที่ถูกต้องเพราะว่ามันมี ยังไม่เกิดยังเป็นลมเป็นอากาศอยู่อืมแล้ว และหาบุญหากุศลได้ตามที่เราปรารถนาต้องการนั่นได้ครบได้ นึกครับท่านปี่ดอกก็ยังอยู่กับพวกเราอืมจะลําบากลําบนขนาดไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อืมคุ้นคลั่อ่านดูแล้วก็ลึกซึ้งอืมท่านอืมโปรดพวกอืมแต่อืมบวช ก็ดีใจแสงธรรมไปสัมผัสอือแสงบุญแสงความสุขความเจริญ อือท่านเสด็จเข้านิพพานพระพุทธเจ้าก็การเสด็จเออเข้ามาถึงจุด มันเหมือนตัวอย่างอื่นนั่นมันตัวสร้างตัวเสือตัวอะไรตัวบุญก็คือตัวคน แล้วก็ไม่ต้องการถึงมันๆคนน่ะความฝืนฝืนสวนกระแสอืมฝืนว่าสวนกระแสน้ํา ดวงลอยไปแต่เออเราออกไปสอนเขาของ ยินเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นปวดเห็นล้มเห็นตายอย่างนี้เราไม่ต้องการๆสบายใจนั่ง ในโลกเราก็อาศัยซั่วข้าวอืมคือเพิ่นนำชาขึ้นมาให้อย่างจังนี้แหละ ที่เรามารวมกันอยู่นี่คือมือโทรศัพท์ 3 คนนี้ก็โทร เอ่อเพิ่มพลังให้กับเวบวุ้นวาสนามรณีของพวกเราอืมได้ 2 อย่าง มื้อมหรสพขึ้นแล้วมึงมึงเกิดฟุ้งวายกันสร้างฝ่าอืมความโกรธอืมพลังอืมตัวเองเราอืมกลัวอืมเกิดอืมซึ่ง แต่ของมนุษย์หลวงพุทธบาทในโลกมีภัยสัตว์ตัวอื่นเอเสวย มันเพิ่นอืมเสียสละเพิ่นเมตตาเสียสละให้คือความสุขความ ตอนลาปีใหม่ทำบุญให้มีนาเดือนดับอืม เอ่อครับอืมเกิดกันในเรื่องก็อืมค่าฟาลันแทงกันขึ้น อืมถ้าฝันลั่นแทงกันไม่ดีคุณพระพุทธเจ้า 32 มนุษย์ที่ก็อืมแล้วแต่ความคิด อือฝนดีก็จะได้อือทํา มันพามีตายตกมีปวดคือมืดนะซึ่งเราเกิดมาก็มีแก่มีจนอืมหนีจากกรรมเวรใน อืมลมมันพัดมีตี 70 80 90 ปีสิเออ 60 70 ขึ้นไปก็อ่อน อันปู่ย่าตายายพาเป็นพระพุทธเจ้าอืมพามานี้ อือเวลาเรายังอยู่ใสชีวิตให้ถูกทางให้ชีวิตให้เป็นสิริมงคลเออนั่งเข้าป่านั่งสง่าที่ภาวนานั่งป่าอยู่ไสก็เป็นประมุตถ้าเรา โอกาสละสว่างตรงไหนก็ดีแค่ว่าทรายซั่วข้าวผู้ทํามันแทบลมแทบตายเห็นบ่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้อาศัย หายว่าจาใจอืมแต่งอืมคือพ่อแม่เลี้ยงพวกเรา อือว่างบุเรสังรวมอืมเอาอืม 3 คืนก็เอาเอาๆแนวตา แล้วก็ให้ทําบาปกรรมก็ยังทําไปจนอืมรุนแรงจนถึงขั้น หากรรมลงไป 3 ลงไปแล้วสิมาลากขึ้นอืมก็จะหนัก นั่งดูถ้าไปอาศัยคนอื่นอืมจิตเราไม่ออกหน้าเราอาศัยแค่เรา พวกเราทั้งอยู่เมืองไทยของพวกเราคือพ่อแม่หลวงปู่มั่นหลวงถ้าอ่าก็ว่าโด หื้อส่งทางความสงบร่มเย็นนี่มันมันง่ายกว่าไปทําบาปสร้างกรรมมันไปทางความสงบร่มเย็น แต่ถ้ามันได้แล้วมันง่ายที่สุดน่ะหาหาจนหาตัว ยินท่านแห่ครูบาอาจารย์ชื่นเบิกบานสดดวงตาพุ่นน่ะอืมบ่ได้อืมการอืมตาอืมเป็นอืมกับอืมดวงตาอืมหนุน อ่ากองบุญธรรไพบุญครบขันธ์ถูกต้อง 4 ซานบ้านเท่าไหร่ก็ดีอืมแต่ว่า ที่เพิ่นละเพิ่นวางไปให้เราเห็นนั่นแหละอือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีถึงเพิ่นอือถ้าอดทนไม่อือพ่อ อ่าสรรพโลกสรลาดผ่านไปแล้วก็สบายอืมก็อาศัยสภาพวิรามานดาขันธ์ทิพขันธ์ประเสริฐอัน อาจารย์อือองค์ที่ 4 ที่จะเสด็จมาข้างหน้าอีกองค์ต่อไปอือแต่ขออะไรทั้ง ก็เหมือนดวงจิตเราปฏิบัติธรรมอยู่ในเย็นแล้วก็อยู่ก็นี้จากโลกใบ การดวงตาของบิดามารดาเอ่อของพวกเราวันไหนก็ทราบไม่ได้ก็จริงว่าไม่มีต้นอยู่เอาพุทโธมา นู่นนอนกับบุญนั่งกับบุญอือแล้วก็ เออเส้นสวยงามแหละเพิ่นว่ามันโลกตัวนั้นภติดสลายอืมโมหะ อืมตกแต่งมาไว้ถ้าคือของเวรของกรรมทั้งนั้นอืมแต่ว่าของธรรมนี่วางไปดวงใจของพวกเราอืมดวงธาตุดวง มันวันเวลานาทีคนล่นนอนไปอืมเราก็จะได้เตรียมไปแต่ละเมื่อระหว่างไม่ต่อมาทางทางกับผ่านบุญให้ละ เสียงจิตสังขารกันมันหดกันว่าว่าไปมันหดกันเย็นขึ้นเอ่อนั่งอยู่ เป็นยาเพิ่นว่าแต่ว่าเมื่อบ่ทำได้สันแล้วมันงดหงิดขึ้นอืมบางอย่างคือบุหรี่จะดีสุขอย่างโน่นอย่างนี้เดี๋ยวนี้แสงมาทุกแบบ มันก็แตกพังไปในนามตัวนั่นแหละที่มันมโหมันแก้ยากมโหโทษ พระภิกษุสาชีเออถ้าข้าพเจ้าเออสากนี่ก็ยังไว้พ้นถ้า ไม่ไปทางได้เลยจังพวกอืมเราทั้งหลายพ่อแม่ อือเพิ่นแล้วพวกเราแต่ว่าโชคหนักอย่าไปคิดให้เป็นทุกข์เพิ่นว่าให้ให้เบิ่งใบบัวหยดน้ําบนใบบัวอืมที่ว่า อือข้าพเจ้าไปได้หมดทุกที่ทุกทางนั่งสมาธิก็ค่อยทําไปนี่อันนี้ปรณาสนะสนะมหานสนะกิรีตนี่กิรีต ให้หลงละจากนี้ไปให้เต็มดวงใจจนพ้นจากอาสวะกิเลสจากเวรกรรม อืมสมาธิพระปัญญาถ้าพระมหาปัญญานี่เออคิดอันนั้นมาคิดอันนี้แม่นละตาเหมือนเดินดูมันเห็นมา เออได้มาจากภวิรามารดาที่ดีที่สวยงามที่แนะนําจุงพ่อจุงแม่เอออืม มันไม่อยากอะไรทั้งสิ้นโลกลูกอืมพระสงฆ์เพิ่นอืมมาบวชเป็นพระมาทําถูกต้อง อินทร์พ่อแม่ชื่อสําคัญคือ คือไปคือยังบ่ทันมีอะไรนี่เอออันนั้นมันก็ง่ายอยู่เพิ่นๆน่ะเพิ่น อดทนดับจนมันสลายไปสู่มันพาทุกข์นั่นสู่มันเป็นทุกข์นั่นอืมท่านทั้งหลายโชคดีเป็นสิริมงคลเป็นกุศลที่ท่านมานั่งสมาธิภาวนา อือบ่นดื้อดำนอนไปเลยอือไม่ได้อยู่ค่ําฟ้าจะตายอย่างเดียวจะขอให้ตายกับพระพุทธ อือธรรมเทนภาวนาฝืนไปเพิ่นทํามาแล้วเพิ่นถานมาแล้วเพิ่น นั่นแหละสกเทพพวกเทวดาเราต้องฝืนเราต้องทนไป เป็นงมงายกับเขาอย่างนั้นเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆแม่ ข้าพเจ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายไม่ หื้อไปดูอืมมีมื้อแท้ปู่เทวดานี่คือฝนฟ้านี่เทพุธิวดานี่ตก บ่เบื่อเบื่อการเกิดได้เจ็บปวดมากกว่าเมื่อพวกอีกมันไม่จะเกิดแล้วตายต่อไปอีกเกิด แม่นประเทศเราเมืองเราต่อไปไม่มีไม่มีวิญญาณอยู่ในนี้ไม่จะธรรมชาติลมพัดอะไรก็จะมาเอากันเรื่องของเรานี้ไปโลกใหม่นี่เราไปนะพุทธเจ้าถ้าเราตั้งใจพากันตั้งใจนี่หาบารมี <c oughs> มหาติพวกเราสนัดว่าเราทําดีทํางามคือพวกเราให้ทานอีหยังขนบ เป็นศีลในธรรมพุ่นล่ะนะโมพุทธายะ 84,000 พระรัมมขันธ์ใจธรรมนะโมก็ อกันพยายามแก้ให้มันเบาออกเบาออกหลุดออกจากวงม่านหลุดออกจากเสือกเสือก อือศรัทธาญาติโยมปาถนานะโมพุทธายะอือคําเตเพิ่นว่าอือกรรมตุกรรมของ กตระยุติในวันนี้สาธุครับท่านใดขันติสโมพุทธายะ อําเภอพังคอนท่านคนพญมหนึ่งอยู่สมุทรปราการกรุงเทพนครนะครับหลวงปู่ว่าอย่างไรชื่อว่าอย่างไรเจดีย์เพิ่นว่าหลุมข้าวมหาเจดีย์ธาตุเก่าโหลําข้าว 3 กษัตริย์ 3 กษัตริย์เงินทองหน้าคันติโกคือสหายหลวงปู่ตั้ง องค์พระราชเจดีประดับประดับโลกไว้ประดับศาตของเราบูชาพุทธ จะอืมเพิ่นว่ามาเห็นพี่เห็นน้องก็โอ้ยอ่อนศรอยากให้มีอืมไปมีสุขพร แต่ส่วนอากาศมันเปลี่ยนแปลงโรคภัยมันเพิ่นว่ายาซื้อยาตัวนั้นกับมืดมืดหน้ามืดอะไรแต่ว่าไปตรวจอย่างอื่นดีหมด ขอให้ได้พะยามพี่น้องทางน้องหลวงซะก่อนเด้อดาสิได๋ก็บ่ว่ากันดอกมันเป็นธรรมชาติบ่ <c oughs> เกิดมันรวยสรรค์ปั้นคลุมมันเออเพิ่นว่าใกล้จะออกพรรษา แต่ก็ว่าอู้มันสบายใจแหละมันมันไม่มีที่ประมาณแหละเดินเดินตรง แล้วก็ฟังอยู่แต่ดูแล้วก็เดิน 3 วันก็โดดปุ๊บลงๆโดดมันก็เตรียมว่า แล้วก็กราบเรียนเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นว่าโหอันนี้มันหลวงแล้วไปซับนั่นน่ะมันก็เหมาะสังขาร แต่มันเข้าเข้ามาใส่พระจิตท่านอืมรบกวนท่าน มันไม่รู้อะไรพอมาทางทางนั่งสมาธินั่งสมาธิ พุ่งไปหันแซ่สายเออสีเขียวสีแดง 7 สี 7 สีมณี 7 แสงเออเราก็เลยก้มลงตามเบิ่งเสียงมือผัว นี่มันไม่อยากเอาอะไรเสียงอะไรก็ไม่เอาเอาให้เอาความสุขอันเดียวนั้นความสุขกูอยู่ในโจรในตัวที่มัน เอ่อมาเล่าให้ภิกษุหลวงตาฟัง พระบรมสารีริกธาตุนะครับในราชทรวงที่หลวงปู่อ่าท่านตามหลวง <in> <in> <ain> โดยสรรคมนาคมของท่านที่ได้ร่วมกันอืมบําเพ็ญกุศลซึ่งบอกพี่บอกน้องหมู่เฮ็ดตาเทศที่ประดับ ธรรมชาติแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่พระแม่ครูบาอาจารย์ได้ 13 วัน 13 คืนเท่าว่าอยู่นานก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้น ที่สางน้ําป่าแต่พวกเขาดาอย่างอื่นเพิ่นก็ไม่ได้ไปรบกวนเขาเอา ตัวไฟจะไม่พวกไปบางรายก็ลอยบุกอืมพุทธิตั้งไว้ก็ห่อลงลงไป <c oughs> ตนแล้วได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพระพุทธเจ้านี้จากโลกใบนี้ไปเพิ่นว่าถ้าได้พุทโธเลยเออแม้แต่เมื่อเคยดีมันก็ไม่ต้องการความคลื่นนี่จังว่าภาวนาเราก็เอาไปถอดทอนกิเลสออกเออคิดไปทาง อันนั้นก็ตามศาสนาเลยเข้าป่าก็ถูกต้องดีนามอืมพวกคือคือชิดหลับบ่ยังมาเกิดอืมผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันหมดเพราะ มันประเสริฐแต่ทํายากที่สุดแต่ก็ทําได้แต่เออเออเดี๋ยวเห็นอยู่นี่คือแล้วเดี๋ยวคือสิแต่ไปแล้วมันยากแต่ว่าเดี๋ยวเฮ็ดอยู่ก็เอา ท่านสาธุอานังบรรจบก็มาหาวาใจแล้วคือพุทธกาลทั้งหลายเจียมตัวไว้นะรอรับบุญรอรับความอิโตทินังเธตนังอุปกัปปติอิสิถังปฏิฏางตุมหัง zo, ja, sapite, yo, iwa santu, sapa loco, minatumate, pawa, pantalajo, zuki, tika, yuko, pawa, afiva, hanasi, letanitang, wutaf, jajino, jataro, tamma, watanti, a, yu, wanno, zukang, halang, sabete, loka, sabete, paja, sabete, antalaya, sabete, upatawa, sabete, tunemeta. Sapeteva Mankala Vina Santu Ayuva Taka, Tanavataka, Silivataka, Yasavataka, Palavataka, Vanavataka, Sukavataka, Motu, Sapataroka, Roka, Paya Vila, Soka, Santu Jupatawa, Aneka, antarayapi Yapi, Yena Santu Jatesa Saya City, Tanangla Pangsoti, Pakayangsu Kampalang, Silia U, Javan Nojapo Kanguti, Yasava Sata, Ajuta Siva City, Pavantu Te, Pavatu Sapamangalang, Lakantu Sapati Vata, Sapaputa no Pavena, Sapatama no Pavena, Sapasanka no Pavena, Satasoti, Pavantu Te.